วัยพ์ที่แสดงความหมายของสมาธิคำหนึ่งคือเอกคตาแปลกันว่าภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวแต่ถ้าว่าตามรูปสัพ์จะเห็นลักษณะของจิตที่คล้ายกับในข้อแรกคือเอกคตาเท่ากับเอกบวกอคะบวกตาซึ่งคำว่าตาคือภาวะ คำว่าอากาะที่นี่ท่านแปลว่าอารมณ์แต่ความหมายเดิมแท้คือจุดยอดหรือจุดปลายโดยในย่านี้จิตเป็นสมาธิก็คือจิตที่มียอดหรือมีจุดปลายจุดเดียวซึ่งย่อมมี ล, ลักษณะแหลมพุ่งรวมมุ่งดิ่งไปหรือแทงทะลุไปได้ง่ายจิตที่เป็นสมาธิขั้นสมบูรณ์ เฉพาะอย่างยิ่งสมาธิถึงขั้นฌานพระอัทิกถาจานเรียกว่าจิตพร้อมด้วยองค์8ดคืออัดฐังกสมันนาคตาจิตองค์8ดนั้นท่านนับจากคำบรรยายที่เป็นพุทธพจน์นั่นเองกล่าวคือหนึ่งตั้งมั่น 2. บริสุทธิ์สา ผ่องใสสโปร่งโล่งเกลี้ยงเกลาหปราศจากสิ่งมัวหมอง 6. นุ่มนวล 7. ควรแก่งาน 8. อยู่ตัวไม่วอกแวกวันไหวท่านว่าจิต ท, ที่มีองค์ประกอบเช่นนี้เหมาะแก่การนำเอาไปใช้ได้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเอาไปใช้งานทางด้านปัญญาพิจารณาให้เกิดความรู้เข้าใจถูกต้องแจ้งชัดหรือใช้ในทางสร้างพลังจิตให้เกิดอัปพิญญาสมาบัติอย่างใดๆก็ได้สำหรับองค์8ตามบาลีคือ 1. สมาหิตะ 2. ปริสุทธะ 3. ปริโยธาตะ 4. อัอนังคณะ อวิกตูปกิเลส 6. มุทุภูตา 7. เจกัมานิย8ตปิตตเนชยปาตะตามที่กล่าวมานี้มีข้อควรย้ำว่าลักษณะเด่นที่สุดของจิตที่เป็นสมาธิซึ่งสัมพันธ์กับความมุ่งหมายของสมาธิด้วยก็คือความควรแก่งาน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 ภิกษุทั้งหลายธรรมะห้าประการต่อไปนี้เป็นเครื่องปิดกัน้นเป็นนิวรณ์เป็นสิ่งที่กดทับจิตทําให้ปัญญาอ่อนกําลัง5ประการกล่าวคือกามาชันพยาบาททีนามิธาอุทจักกุก จ, จัวิจิกิจฉาภิกษุเมลธรรมะห้าประการที่เป็นเครื่องปิดกัน้นเป็นนิวรณ์เป็นสิ่งที่กดทับจิต ทำปัญญาให้อ่อนกําลังแล้วจากรู้จักประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายหรือจากประจักษ์แจ้งซึ่งยานทัศนะอันวิเศษที่สามารถทำให้เป็นอริยะซึ่งยิ่งกว่าธรรมะของมนุษย์สามันด้วยปัญญาที่ทุรพลไร้กําลังข้อนี้ย่อมไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้เปรียบเหมือนแม่น้าที่เกิดบนภูเขาไหลลงเป็นสายยาวไกลมีกระแสชี่ว พัดพาสิ่งที่พอจะพัดเอาไปได้บุรุษเปิดปากเหมืองออกทั้งสองข้างของแม่น้ำนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นกระแสน้ำท่ามกลางแม่น้ำนั้นก็กระจายสายพร่าเคว้คว้างแม่แล่นไหลไปไกลไม่มีกระแสเชี่ยวและพัดพาสิ่งที่พอจะพัดเอาไปไม่ได้ครั้งหนึ่ง สังฆารวะพรามณ์กราบทูลถามพระพุทธเจ้าและพระองค์ได้ตรัสตอบดังนี้ท่านพระโกตมะผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยให้ในบางคราวมนทั้งหลายแม้ที่ได้สาธยายมาแล้วตลอดเวลายาวนานก็ไม่แจำแจ้งไม่ต้องกล่าวถึงมนที่ไม่ได้สาธยายและอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยให้ในบางคราวมนทั้งหลาย แม้ที่ไม่ได้สาธยายตลอดเวลายาวนานก็แจ่มแจ้งไม่ต้องกล่าวถึงมวลที่ได้สาธยายดูก่อนพราหมณ์ในเวลาใดบุคคลมีใจกลุ่มรุมด้วยกามราคะถูกการมราคะครอบงำอยู่และไม่รู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งทางออกแห่งการมราคะที่เกิดขึ้นแล้วในเวลานั้นเขาย่อมไม่รู้ชัดมองไม่เห็นตามเป็นจริง แม้ซึ่งประโยชน์ตนแม้ซึ่งประโยชน์ผู้อื่นแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองฝ่ายมนทั้งหลายแม้ที่ได้สาธยายมาตลอดเวลายาวนานก็ยอมไม่แจมแจ้งไม่ต้องกล่าวถึงมนที่ไม่ได้สาธยายบุคคลมีใจกลุ่มรุมด้วยพยาบาทดินามิธาอุทจักกุกุจจาและวิจิกิจชาก็เช่นเดียวกัน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 2. จิต ท, ที่ถูกพยาบาทครอบงำเปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำที่เอาไฟเผาล่นเดือดพล่านมีไอพลุ่งคนตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะน้ำนั้นก็ไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริงสจิต ท, ที่ถูกทีนะมิทะครอบงำ เปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ําที่ถูกสาหรายและจอกแหนะปกคลุมคนตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะน้ํานั้นก็ไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริงสี่จิตที่ถูกอุตจักกุกุ จ, จักครอบงําเปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ําที่ถูกลมพัดไวกระเพื่อมเป็นคลื่น คนตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะน้ำนั้นก็ม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริงหาจิตที่ถูกวิจิกิจฉาครอบงำเปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำที่ขุนมัวเป็นตม่มซึ่งวางไว้ในที่มืดคนตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะน้ำนั้นก็ม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริง ส่วนบุคคลที่ใจไม่มีนิวรห้าครอบงำแล้วรู้ทางออกของนิวร์ห้าที่เกิดขึ้นแล้วยอมรู้เห็นตามเป็นจริงทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์ทั้งสองฝ่ายมว์แม้ที่ได้สาธยายตลอดเวลายาวนานก็แจมแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมวลที่ได้สาธยายและมีอุปมาต่างๆตรงข้ามกับที่ได้กล่าวมาแล้ว คำว่าไม่แจมแจ้งหมายถึงนึกไม่ออกหรือคิดไม่ออกอีกแห่งหนึ่งรัดถึงจิตที่ไม่ขุนมัวเหมือนห่วงน้ำใสมองเห็นก้อนหินก้อนกรวดหอยและปลาที่แวกว่ายในน้ำส่วนจิตที่ขุนมัวก็เหมือนห่วงน้ำขุนที่ตรงกันข้าม ภิกษุทั้งหลายอุปกิเลสแห่งทองห้าอย่างต่อไปนี้ทองเปืือนปนเข้าด้วยแล้วย่อมเป็นเหตุให้ไม่อ่อนไม่ควรแก่งานไม่สุขปลังเปราะไม่เหมาะที่จะนำไปทำอะไรอะไรห้าอย่างเป็นชนหะนได้แก่เหล็กโลหะอื่นดีบุกตะกัวและเงินเมื่อใดทองพ้นจากอุปกิเลสห้าประการเหล่านี้แล้ว ก็จะเป็นสภาพอ่อนควรแก่งานสุข ป, ปลังไม่เาลเหมาะที่จะนำไปทำอะไรอะไรได้ดีกล่าวคือจ้างทองต้องการทำเครื่องประดับชนิดใดใดจะเป็นแหวนตุ้มหูสร้อยคอหรือสุวรรณมาลาก็ตามยอมสำเร็จผลที่ต้องการชันใดอุปกิเลสแห่งจิตทั้งห้าอย่างต่อไปนี้จิตผัวพันเศร้าหมองเข้าแล้วยอมไม่นุ่มนวลไม่ควรแก่งาน ไม่ผ่องใสเปราะสอบและไม่ตั้งมั่นด้วยดีคือไม่เป็นสัมมาสมาธิเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายฉันนั้นห้าอย่างเป็นไฉนได้แก่กามฉันพยาบาททินามิทะอุทธจักกุจจะและวิจิกิจชาเมื่อใดจิตพ้นจากอุปกิเลห้าประการเหล่านี้แล้วก็จะเป็นสภาพอ่อนโยน ควรแก่งงานผ่องใสไม่ปราะเสาะและยอมตั้งมั่นด้วยดีคือเป็นสัมมาสมาธิเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายอันหนึง่งเธอจะน้อมจิตไปเพื่อรู้จำเพาะประจักษ์แจ้งซึ่งอพิญญาสัจจิกรณียธรรมอย่างใดๆคือสิ่งที่พึงทำให้ประจักษ์แจ้งด้วยการรู้เจาะตรงก็ยอมถึงภาวะที่สามารถเป็นพยาในธรรมนั้นๆได้ ในเมื่อเหตุมีอยู่มีพุทธพจน์บางแห่งตรัสว่าถ้าภิกษุปราศจากนิวรณ์ทั้งห้าและเดวเริ่มทำความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติ ก, กำกับอยู่ไม่เลือนหลงกายผ่อนคลายสงบไม่เครียดรกระสับกระส่ายจิตตั้งมั่นมีอารมณ์หนึ่งเดียว ไม่ว่าเธอจะเที่ยวไปอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามนอนตื่นอยู่ก็ตามก็เรียกได้ว่าเป็นผู้มีความเพียรมีอตตปะได้เริ่มระดมความเพียรต่อเนื่องสม่ำเสมอและเป็นผู้อุทิศตัวเด็ดเดี่ยวแล้วการพยายามชำระจิตไม่ให้มีนิวรน เป็นความหมายอย่างหนึ่งของหลักธรรมที่เรียกว่าชากริยานุโยคคือการประกอบความเพียรเรื่องตื่นอยู่หรือการประกอบความตื่นข้ออุปมาของพระอัตกถาจารย์เกี่ยวกับสมาธินี้ก็น่าฟังท่านว่าสมาธิ